ทัศนะสู่ธรรมเรื่องชาติพันธ์ของพระพุทธเจ้าตามเขาความคิดของท่านอาจารย์สวนโมกโดยอาจารย์โกวิศอเนกชัยเขมานันทะวันที่ส2บสองธันวาคม2536ั้าอสองครั้งที่ได้มานั้นนะครับไม่สู้จะเป็นปัญหาสำหรับตัวผมเองมากนะักในการที่จะเล่าเรื่องหรือ เกี่ยวเนื่องกับท่านอาจารย์ชนโมกแต่มาวันนี้เนะี่ยรู้สึกหนักใจมากครับโดยเหตุผลหลายประการที่ว่ า, าเรื่องชาติพันธุ์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ค่อยเป็นปัญหาที่แพร่หลายาเนื่องจากเป็นสิ่งที่มินเมย เอามากมากทีเดียวครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อรู้แล้วว่าพทธเจ้าเป็นชาติพันธ์อะไรก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในที่นี้นั้นผมจะไม่นำความหมายที่เป็นชั้นโลกุตระเข้ามาเป็นประทัดฐานเช่นถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครตอบพุทธะไม่มีตัวตนเป็น เป็นว่ญเหนือรูปลักษณ์ทั้งปวงอะไระน่นนี้นี่เป็นโรกุตระโวหารครับแผมจะไม่ข้องแวะกับพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นพระพุทธนิมิตติดตาดรึงใจต่อผู้ที่ทำภาวนาแบบสมถะที่เห็นในนิมิตของตนซึ่งถือว่านั่นเป็นเรื่องของปัจเจกค่อนข้างเป็นอัตตาวิสัย พูดกันแล้วก็เถียงกันไม่ไม่จบครั้นจะพูดเรื่องชาติพันธ์ของพทธเจ้าอิงวิชาการผมเองก็ไม่ใช่นักวิชาการด้านบบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ข้อมูลก็มีน้อยมากครับประกอบกับเรื่องราวที่รับรู้มานี้ผ่านทางพระคำพีที่จดจารและปรับเปลี่ยนใน ห, หลายยุคหลายสมัยยกขึ้นมายืนยันอ้างก็ ดูกระไรอยู่นะครคิดทบไปทวนมาก็นึกได้ว่าเรื่องนี้นะครับท่านอาจารย์เองผมหมายถึงต่อไปนี้ถ้าผมใช้คำว่าท่านอาจารย์เป็นที่รู้กันนะครับว่าหมายถึงท่านอาจารย์ชวนโมกท่านเองก็ไม่เคยพูดในที่สาธารณะด้วยเหตุผลที่ว่ามาแล้วด้วยดังนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวผมอุตริเอามาพูดในที่สาธารณะขึ้นมานี้ก็ เพียงเพื่อจะได้เห็นมิติทัศนะของท่านในหลายๆด้านโดยส่วนตัวแล้วแม้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในมือในคำนี้นะฮะไม่สู้จะชัดเจนและไม่มากพอนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่จูงใจให้พูดคือการให้พูดถึงบุคคลที่เรารักที่สุดดังนั้นไม่ว่าเราจะพูดผิดหรือพูดถูกมเหมือนเด็กๆที่ย่อมเห็นแม่ หรือบิดาของตัวเป็นเทพเจ้าอะไรต้นนองนั้นแหล่งที่มานะครับของข้อพิจารณาในลำดับต่อไปนี้เนี่ยประการแรกก็คือพระตรยวิดกพระสูตรต่างๆอันพรรณนาความถึงรูปลักษ์ของพระพุทธเจ้ารวมทั้งบทบาทในครั้งนณะแหล่งที่มาอันที่สองก็คือ สิ่งที่ถอดออกมาเป็นพระพุทธปฏิมาคือศิลปะสองแหล่งนี้นะครับจะผมจะนำมาประกอบกับเส้นทางอุปยบทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของประเทศอินเดียพูดเกลิ่นไว้ข้างต้นนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นท่านผู้ฟังอาจจะต้อง รับทราบเกี่ยวกับประจวิตรก่อนนะครับว่ามีเครดิตมากน้อยเพียงใดบางคนอาจจะไม่คุ้นกับคัมภีร์พิเศษศาสนาหรือบางคนคุ้นกับคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์ศาสนาอื่นซึ่งคัมภีร์ศาสนานั้นนะฮะอยู่ในลักษณะของปรมัมบราคติก็มีและมักจะเขียนให้บวกอภินิหารมากมายจนในที่สุด บางท่านอาจจะคิดว่าเปเรื่องเหลวไหลเชื่อไม่ได้โดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับตำราในยุคโบราณยุคเก่าๆ น, นั้นนักวิจารารให้เครดิตกับพระไตรปิยกสูงมากครับก่อนหน้าที่อธิบดีกรมโบราณคดีประวัติศาส์ของอินเดียในสมัยที่อังกฤษปกครองที่ชื่อเซอร์เล็กซันเดอร์คันนิงแฮม ก่อนที่เขาจะกุดค้นพบหลักฐานหลายๆอย่างนะครับอินเดียถูกกลบอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในความหลังไม่มีใครรู้อะไรเลยครับผมจะไล่ลำดับอย่างนี้นะครับว่าประศาสตร์ของอินเดียทั้งหมดเท่าที่เรารับรู้ได้ในปัจจุบันนี้นั้นถูกสร้างด้วยน้ำมือของพระเจ้าโศกมหาราชนะพระเจ้าโศกนั้น เป็นขสัท์ที่สําคัญมากองค์หนึ่งนะครับของโลกนี้เพราะได้ให้เนติธรรมเนียมของการปกครองที่นําหลักธรรมทั้งหมดของพระเจ้ามาใช้เป็นการพิสูจน์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีและเป็นเอให้กษัตริย์ทั้งภาคพื้นตัวนอกของทวีปเอเชียหรือของโลกนี้นะฮะเรียนเอาแบบอย่างพระหากษัตริย์ทุกแทบทุกพระองค์มีแนวโน้มที่เรียกตัวเองว่าอโศกหรือ เรินรอยตามพระเจ้ากระโศกเราศึกษาค้นคว้าเราจะพบว่าสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากครับหลังจากที่พระเจ้าอระโศกลบสึกที่แคว้นกลิงค่ะและฆ่าคนหลายหมืน่นเกิดสลดสังเวชขึ้นมาครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใช้ธรรมะเผยแพร่จิตใจยิ่งใหญ่ของกระโศกหาราชนั้นยากที่เราจะคาดกันเองแต่พบได้ว่าท่านจับส่งผู้รู้ หรือในที่นี้เราเรียกว่าพระอาหารหันต์ก็ได้นะครับไปทั้ง8ปทิศเพื่อจะให้โลกทั้งโลกอยู่ใต้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราพบหลักฐานที่หลับแลนนะครับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมีพุทธรูกสมัยพระเจ้าโสมมีมีร่องรอยหลักฐานและมากกว่านั้นนะครับแม้ช่วงนั้นจะไม่ใช่ช่วงของอโสมแต่เป็นลําดับถัดมาในทวีปอเมริกากลางนะครับ พบหลักฐานว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปที่นั่นก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไปั้งเกือบแ0ดรปีเขาพบพระพุทธรูปในรอดในในซากของวิหารเ่ามายนซึ่งต้องความตื่นตื่นมากนักโราณคดีของญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับศึกษากันอย่างเอ า, เอาจริงอาจังจนทั่งเชื่อว่าแม้แต่ชื่อของประเทศกัวเต ม, มาลานี่ก็เนื่องกับพระพุทธเจ้า ขึ้นต้นเลยครัว่าโคตมะอะไรเหล่านี้นะฮะเอาว่ากันว่าสมัยหลังจากพระเจ้าโศกแล้วนะครับอิทธิพลคําสอนพระเจ้าแพร่กไปถึงเอเธนประเทศกรีซนะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้นักปราศคนหนึ่งรับคําสอนอ น, นี้เผยแพร่ออกไปอย่างชนิดที่ทน่าทึ่งทีเดียวนักปราศคนนั้นยุเซโน ได้ก่อตั้งสกุลปรชัชญาเยลสโติกคือปฏิเสธอำนาจของพระเจ้าเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถบรรลุถึงสันติสุขโดยการรู้ประจักษ์แจ้งต่อพระจัยลักษ์อะไรเหล่านี้เป็นคำสอนของพระเจ้าที่แพร่ไปทางตวันตกถ้าเราศึกษาด้านปรัชยามาบ้างนะครับเราจะพบว่านักปรากคนสำคัญสำคัญเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ได้ผลของพระเจ้าทั้งสิ้นไม่ว่าแบกสองไม่ว่าเป็น คันไม่ว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่เหมือนคนตะวันออกอย่างบ้านเรารับรู้ความรู้จากใครเราก็อ้างครูนะแต่ถ้าตะวันตกนี่เขารู้เขาเขาไม่อยอมอ้างดังนั้นลาวเขาว่าเขาคิดคนกินเองทางตะน อ, อกนั้นเรนหนักในทางจริยธรรมนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดในคนแรกว่าเป็นครู ว, วันเดียวเป็นบิดาตลอดชีวิตอะไรต่างนั้นนะรพระชายบิดกนั้นเป็นสิ่งที่ เชื่อถือกันว่าเป็นหลักฐานชิ้นที่สำคัญมากนะฮะพระเจ้าโศกพูดได้ว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ทั้งหมดของอินเดียทรงมีวิริยะสาหะที่สร้างสถูกให้ได้ครบแ0ดหมื่นสี่พันเท่าจำนวนพระธรรมกัณนะฮะถ้าเราไม่เคยไปอินเดียเราจะไม่เชื่อสิ่งอันนี้นะผมก่อนที่ไปเยี่ยมที่นั่นเนี่ยก็คิดว่าคงเขียนไปอย่างนั้นเอง ตำรับตำลาแต่เมื่อไ ป, ไปถึงแล้วผมพบว่าวันเหลือเชื่อจริงๆนะครับที่ชมพูทวีปทั้งหมดครั้งหนึ่งเคยกลายเป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิแล้วก็เรื่องน่าเศร้าตรงเดี๋ยวนี้แทบจะหาไม่ได้เลยจึงเกิดคำถามมากมายว่าเพราะอะไรกันเนาะจึงเกิดตีกลับถึงขนาดนั้นพระเจ้าโศกได้ปักศิลาจารึกหมายนะฮะในทุกๆแห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ รวมไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนด้วยครับ mm hmm. เช่นติลาโลกโกะแถบในป่านนะฮะ mm hmm. ปักที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าชื่อโกนาคมนะฮะ mm hmm. กนกมุนีอะไรหลานี้ น, mm hmm. นี่คําถามก็เกิดว่าเรื่องราวของพระเจ้าพระองค์ก่อนนี่มันเป็นประมรคติลืมเป็นเรื่องจริงกันแน่ น, mm hmm. นี่คือคําถามที่ฝุดขึ้นในจิต ใ, ใจของเราครับ mm hmm. เราจะพบว่าในวันที่พระเจ้าเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะออกประพาธ พนครนะครับแล้วก็พบเทวทูตทั้งสเทวทูตที่4นั้นคือสมณะสมณะคือใครกันแน่ครับมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าสมณะนั้นโกนหัวคล้ายๆพระสงฆ์ทุกวันนี้นั่นแสดงมีล่องลอยของพระพุศาสนาสืบทอดกันมาอยู่แต่ไม่เป็นล่ําไม่เป็นสารศาสตราจารย์ลิชเดวิสนะครับอดีตเคยเป็นมิชชันนารีของคริส ธรมหาหนตเป็นพุทธแล้วเนี่ยเขาพิสูจน์ว่าก่อนหน้าพุทธกาลเนี่ยมีนักบวชเภศหนึ่งที่เรียกว่าสมนะัมมณะหรือภาษาบาลีเรียกสมมนณะเป็นบุคคลที่พระเจ้าเห็นแล้วก็ทึ่งในท่วงท่าของความสงบสุขความเรียบร้อยความงดงามในท่วงท่าที่เดินประทับใจท่านมากแล้วท่านก็เลือกที่กลายเป็นสมมนาะดังนั้นลิสเดวิสได้สรุปว่าพระพุทธศาสนาะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฮินดูเลย เป็นการสืบทอดตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเลื่อยมาเท่านั้นเองนี่ดูเหมือนเป็นข้อสรุปซึ่งนักปราชญาฝ่ายฮินดูหลายคนสายหน้ารับไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักฐานไม่มีเลยนอกจากในธรรมราฝ่ายพุทธเท่านั้นเมื่อพระเจ้าโศกได้สร้างวัดศาลเหล่านี้นะฮะโดยการก่อสร้างสุทูโบสถวิหารทั่วทั้งชมพูที่แล้วนั้น <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับ เ, เมื่อถัดมาอีกสมัยหนึ่งนะครับผมไม่แม่นในช่วงเวลาแต่ก็จำได้ว่าแม่ทัพของมุสลิมเติร์ที่ชื่อพักติยาได้บุกตะลุยเข้าไปในอินเดียแล้วก็โค่นถล่มทลายเผามหาวิหารเผาหอสมุดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมหาลลยนารันธาอันยิ่งใหญ่มังชาพุทธถูกทลายลาบลงซากอันยิ่งใหญ่นั้นนะครับถูกกลบจยภายใต้ดินนับเป็นพันันปี <c oughs> เด็กรุ่นห ล, หลังเกิดมาไม่รู้ไม่เห็นล่องรอยยิ่งใหญ่ของมณฑลจักรของพุทธในเดียร์เลยตราบจนกระทั่งถ้าไม่มีบุคคลสาคัญ น, นักจดบันทึกผู้ยิ่งใหญ่ของชาวจีนฮะเราจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความเฉยิมยหรืออารยธรรมของอินเดียนักจดบันทึกชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็คือยวนชางหรือประธานสมจังเราพบว่าด้วยฝีไม้ลายมือของทระธางสมจังนั่นเองที่ทําให้เสื้อเล็กซ์เดอร์คันนิงแฮมเมื่อสมัยเกิดปกครอง ได้ติดตามร่องรอยแล้วขุดขุดตรงไหนก็เจอตรงนั้นและตรงตามล่องรอยนั้นเป็นอันมากครับนั่นแสดงว่ายวนฉางเองนั้นมีสติรอบคอบมากบันทึกว่าหน้าพระคันธุบีห่างไปกี่เชะกี่ก้าวกี่ลี้อะไรนี่ตรงหมดเลยนะฮะมีบ่อน้ําจืดพร้อมไปยังตักดื่มอักอะไรครับโดยความรู้สึกพิเศษอันหนึงการจดบันทึกยวนฉางนั้นก็แม่นยํามากนะฮะ ดังนั้นเองยังมีข้อสรุปของนักวิชาการว่าปรสกสร้างยวนช่างบันทึกมุสลิมถลม่มคือยวนช่างบันทึกก่อนที่มุสลิมจะถลมนะ่มเนี่ยคานิงแฮมขุดเรื่องทั้งหมดจึงสื่อมาถึงเราได้ในทุกวันนี้นักวิชาการถือว่าพระชบรปิดกเป็นคัมภีร์โบราณ น, นะครับที่บันทึกใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สำหรับที่ประเทศเนปาลนะครับพระภิกษุรูปแรกที่บวชนั้นเป็นพระภิกษุซึ่งแหวกออกจากความเชื่อของบรรพบุรุษเรารู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนพูดกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อสายเนปาลแต่ผมไม่ไม่ถกเถียงเลยแต่ผมอยากจะทวงจริงว่าสมัยนั้นประเทศเนปาลไม่มีครับดังนั้นเราพูดได้กับพระพุทธเจ้าเป็นเนปาลจริงๆไม่ใช่เราก็มังสืมหาสายพันธุ์อาจจะไม่เป็นของประเทศไหนเลยก็ได้นะครับ เอเมื่อเราได้ได้รับทราบว่าพระไตรปิฎกนั้นมีความเชื่อถือได้เป็นจนเอย่างมา ก, ก น, นะฮะไม่ได้หมายถึงว่าข้อบริยย่อยซึ่งเป็นความผิดพลาดจะไม่มีนะฮ ะ, ะเพราะว่าแม้ในพระไตรปิฎกเองชั้นที่เป็นพระบาลีนี่ก็มีเรื่องอพินิหารเรื่อง ล, องล่องหนยกตัวอย่างนะฮะอัตถคขาตานก็แต่งให้เมื่อพระเจ้าเสด็จออกบวชก็มีคําถามว่าประตูเมืองบิลพัท ต, ต้อง บันทึกไว้แล้วว่าต้องใช้บุรุษตั้งร้อยคนเปิดทีนี้เมื่อท่านออกบวชใครเปิดในท่านยุ่งใหญ่เลยครับที่นี้ดังนั้นก็มีเรื่องงเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องอุ้มเท้ามาไปติดกั้นเสียงไม่ให้ใครได้ยินเยนะยเราต้องเข้าใจว่าวิธีเขียนนั้นก็ต้องการเขียนให้เป็นวรรณกรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้มากที่สุดไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครเล่าลือต่อไปนะเพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยตัวหนังสือแม้จะมีบ้างแล้วในสมัยพระเจ้าโศกแต่ว่าไม่เป็นที่นิยม กันอย่างแพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ที่เราขีดเขียนได้เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถส่งข่าวอย่างละเอียดถี่ยิบไปสู่เด็กรุ่นหลังได้แต่ถ้าสมัยโน้นถ้าไม่มีเรื่อ ง, องพินิหารแล้ยผมว่ายากคำเล่าลือนั่นเองครับในพระธวิโดกเร า, า่ผู้เจ้าสูงสบิบแปดศอกเชื่อไหมครับที่เรียกพระอัฏฐารถที่สุโขทัยนะึกว่าคือสูงสบิบปดศอกฟังดูแล้วมันก็ โอ้โหมันไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะเชื่อได้แต่ที่ก็ทําอย่างนั้นเรื่อยเกิดทึ่งมันไม่สําคัญตรงที่พระเจ้าจะสูงแปดฟุตเจดฟุตห้าฟุตหรือผิวขาวผิวดําครับสาคัญที่สุดคือท่านสอนอะไรกับมนุษย์ท่านมีบทบาทอย่างไรครับต่อโลกนี้แต่เท่าที่ผมทราบนั้นบทบาทของท่านนั้นถูกปิดกัน้นแล้วก็ไม่ถูกระบุถึงนี่อยู่มากเช่นเมื่อสมัยที่ทูตของกรีกเข้ามา ในช่วงของราชวงศ์นันทะ ท, ที่จะเปลี่ยนราชวงศ์เป็นมอริยะของพระเจ้าโศกนั้นไม่มีบันทึกของกรีกทั้งทๆมาอยู่ทั้งหลายปีด้วยเหตุผลคนความบรรได้นั้นไม่มีใครทราบได้ครับเป็นไปได้ที่ว่าผู้บันทึกมีอคติผิดกับนักบันทึกชาวจีนซึ่งบันทึกอย่างละเอียดตรงตามสภาวะประการหนึ่งยนฉ่างได้บันทึกเส้นทางที่เรือกเส้นทางสายไหมนะฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ ที่เดินทางผ่านทะเลทรายโกบีแต่ก่อนบันทึกของยวนช่างเป็นประการนาเป็นประดมปรราคติเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่30สปีที่แล้วมานี่เองนักวารัณดีกลุ่มหนึ่งขุดค้นทะเลทรายโกบีฮะพบเมืองโบราณเป็นร้อยร้อยเมืองซึ่งยวนช่างบันทึกไว้ถูกถล่มโดยพยายุทรายครับมากไปกว่นั้นก็พ บ, บว่าซากเดินเสาระเรื่องมาสโตดอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ถูกค้นพบที่นั่น ที่น่าชงวนที่สุดก็คือนักโบราณคดีจีนได้ค้นพบหัวกระโหลกของพวกคอเคซอยปนอยู่ในเมืองอันยางครับซึ่งสร้างความงงงงมากและเป็นเหตุให้นักโบราณคดีจีนไม่เชื่อนะนักวิชาการทางตะวันตกที่ในการแบ่งสายพันธุ์ของมนุษยชาตินะครับเดี๋ยวจะได้ว่ารายละเอียดให้ฟังครับการถัดมาก็ผมอยากจะพูดเรื่องพุทธรูกหลักฐานอันแรกเนี่ยเราคงมองผ่านพระไตรปิดก เพื่อค้นหาพระพุทธเจ้าซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านสูตรที่เรียกลัคนาสูตรนะครับลัคนาสูตรสูตรว่าด้วยรูปลักษ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเราต้องตีความกันมากทีเดียวครับเช่นยกตัวอย่างไว้ก่อนว่าเมื่อท่านยืนตรงมือแตะหัวเขาได้นะฮะส่วนหลักฐานที่สองที่เราจะมองผ่านก็คือเราจะมองผ่านพระพุทธรูปสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับท่านอาจารย์ส่วนโมกบ้างก็คือเมื่อผมรับภาระที่ต้อง <c oughs> ปั้นซ่อมนะครับพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่วัดชัยรามก็เกิดปัญหาว่าเราจะเอาแบบไหนดีถ้าแบบสุโขทยัยเราก็เพีแซงเพราะเราอยู่ในยุคนี้ผมก็เลยต้องมีเรื่องปรึกษากับท่านก็เลยมีเหตุต้องถกกันที่จริงไม่ใช่ถกกันนะคือท่านเล่าแต่ผมซักท่านั้นมันไม่เรียกว่าถกได้ว่าจะเอารูปลักษณ์หน้าตาอย่างไรก็เป็นเหตุที่ต้องคุยกันหลายเรื่อง <c oughs> หลายลาดับ แล้ท่านก็แสดงมติความเชื่อซึ่งผิดแผกจากนักปรารทางตะวันตกนะครับโดยทั่วไปนั้นนักปรารทางตะวันตกนักคิดนักวิชาการนั้นก็เชื่อกันง่ายๆว่าพระพุทธเจ้ามีชาติพันธุ์เป็นอาริยันเหมือนเรารู้นะฮะมันเป็นอรยันเพราะมีพระบาลียืนยันเราแรมคืออรยันนะฮะมีในประสูตยที่ว่าเมื่อพระเจ้าประสูนยใหม่ๆที่สวนรุมพิีนี แล้วทร ง, งเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าแล้วร้องคาถาเราแลงผู้เจริญนะรเราคืออารยันแต่แล้วท่านทวงเตียงเขาอารยันตคำนี้ไม่ได้หมายชาติพันธ์หมายแปลว่าผู้เจริญเท่านั้นครับเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเท่านั้นจะไปแปลเป็นชาติพันธ์ไม่ได้อักโคห์มัตส์มินะนีม่มีคําว่าเราเป็นผู้ประเสด็จเลิศสุดเราแลงคืออารยันอะไรเหล่านี้นะฮะนั้นท่านท่านไม่เห็นด้วยนะแล้วท่านก็ปรยถึงความเชื่อเขาวความเชื่อของท่าน ทั้งๆก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ท่านเองก็ยังไม่ได้ค้นคว้าหาหลักฐานอื่นแต่มันแสดงเป็นเพียงสามัญสมมติอะไรบางอย่างผมไม่ถือว่าคําพูดของท่านอาจารย์ชุนโมกเป็นข้อชี้ขาดนะฮะแต่เป็นเขาความคิดอาจจะถูกอาจจะผิดแต่ผมมีหน้าที่ที่จะสื่อให้ฟังเท่า น, นั้นครับและผมกคงจะต้องแสดงมดติส่วนตัวบ้างเล็กน้อยทั้งหมดไม่ใช่ที่จะแยง้งท่านแต่ว่าเพยเห็นว่ามุมมองนั้นมองได้อีกหลายมุมมากครับ พระพุทธเจ้าอาจจะเป็นอารยันก็ได้อาจจะเป็นมองโกลก็ได้นะครหรือแม้แต่อาจจะเป็นออสเตรเลยียหรือแม้แต่อาจจะเป็นเผ่าไตก็ได้ครับเผ่าไทยก็ได้แต่พูดไปอย่างนี้ก็น่าเกลียดน่าจัง20ิบปีที่แล้วผมเคยพูดในหัวข้อนี้ที่วัดชประทานลังสิลิปปากเกร็ดพูดจบแล้วก็ผมเองเป็นชาวสงฆานะครับพพูดจบพระฝรั่งเขาก็โกรธมากครับเพราะฝรั่งเขาอยากให้พระพเจ้าเป็นอารยันเหมือนเผ่าทางตะวันตก ก็ไปหาผมที่ที่พักแล้วเขบอกว่าผมมีหลักฐานแล้วพระเจ้าเป็นชาวสงขาก็เลยก็ด่าผมเลยก็แทกแตกดันนะครันี่จริงผมไม่ได้เจตนาที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นไทยหรือเป็นใครนะฮะแต่มันมีเขาให้คิดเราคิดได้ครับมันเป็นธรรมดาหรือเกินครับชาวทิเบตจะอ้างว่าพระเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ทิเบตพม่าก็อ้างอย่างนั้นนะฮะ จาวินเดียก็อ้างนั้นทีนี้ก็เป็นนันว่าพระเจ้าของใครของมันกันแล้วครับสําหรับเรื่องพุทธรูปนั้นมีเรื่องที่น่าศึกษาและค้นความมากครับโดยทั่วไปเราเข้าใจว่าพุทธรูปคือรูปเคารพซึ่งนี่ผิดลักษณะของชาวพุทธ เ, เมื่อพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่เคารพกราบไหว้เฉยๆแล้วสวด อ, อ้อนวอนให้ดลดารโชคเราต้องถูกตัดสินทันทีว่าเราไม่ใช่ชาวพุทธ เพราะการกระทำของเราเหมือนกับที่ผู้อื่นกราบศิวลึงหรือรูปคารพอื่นๆและอ on ้อนวอนนะลักษณะท่าพุทธไม่มีการอ on ้อนวอนครับนะพระภิกษุในรุ่นแรกๆนะฮะเขาเขายังเป็นฮินดูเมื่อเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วเขาก็ยังอ on ้อนวอนพุทธเจ้าท่านทวงติงบอกว่าในอริยวินัยนี้ไม่มีการอ on ้อนวอนแต่ถ้าเธอจะอ on ้อนวอนขออ on ้อนวอนว่าให้มีปัญญาเหมือนภาษาลิบุตร นี้ทาทีมัมพุทธเปลี่ยนไปนะครับจากลากฐานวัฒนธรรมเก่าถ้าเรามีเพื่อนฝรั่งนะครับเราพาไปเที่ยวในวัดในโบสถ์ที่มีองค์พระประธานอยู่เนื่องจากเราเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมของตัวเองนานเจนตาเจนใจต่อพุทธรักษณะเราก็ไม่สงสัยในรูปลักษณ์ของ พระพุทธรูปนั้นเลยว่ามันมันบอกอะไรเราหรือไม่เพราะเราดีแต่กราบท้บาวเช้าท้ับเย็นแต่เพื่อนฝรั่งเราจะท้วงติงว่าทําไมพระเจ้าหัวแหลมทําไมเส้นผมชี้เดเหมือนน้าทุเรียนซึ่งเราอาจจะโกรธก็ได้แต่นั่นแสดงว่าคนที่ไม่อยู่ในกระแสเฉื่อยทางวัฒนธรรมเขาจะเห็นอะไรทันทีเลยเหมือนกับเราไปต่างประเทศแล้วเห็นฝรั่งอะไรเราก็ถามทันทีเหมือนกันแล้วเขาเองกไ็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระแสความเฉยนิ่ง ผมเองเคยถูกถามซึ่งเป็นเอต้องกบคิดมากทีเดียวครับโดยส่วนตัวแล้วผมเองเติบโตขึ้นมาจากพุทธรูปไม่ไม่ไม่ได้เติบโตมาจากการบวชเรียนทันทีนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่ฝึกปรือตัวเองในทางศิลปะต้องสเก็ตลูปต้องวาดรูปแล้วมีชั่วโมงที่ยาวนานในตอนบ่ายที่ต้องวาดประพักพุทธรูปซึ่งสร้างความรู้สึกประหลาดให้กับผมมากทีเดียวจนเป็นเอกเลยผมต้องไปนั่งดูพุทธรูปที่วัดเบญจก เป็นปีๆนะครับไม่ได้หมางตลอดเวลานะไม่ไไม่ได้มหนะ ม, ม, ม, มางไปตั้งเต็นที่นั่นหมางช้าไปตามวาระแต่วไปนานมากครับแล้วจากความรู้สึกที่ยึดมั่นในพุทธลักษณะนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความรักที่ประหลาดครับรู้สึกเห็นพระพุพทธรูปแล้วรู้สึกสบายใจสบายอารมณ์ผมไม่ใช่นักเลงครับนะฮะที่มานั่งส่องอะไรเรื่องครับกอบะไรเรื่องกับอันนั้นพระพุทธรูปนั้นเราดูได้หลายลักษณะมากครับ นอกเหนือจากคนทั่วไปที่เห็นนั่นเป็นรูปเขารบแล้วซึ่งเป็นเรื่องของไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบมาพกร น, นะครับที่จริงพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของจะว่าเป็นปริศนาธรรมก็ว่าได้ครับเช่นยอดสุดที่แหลมขึ้นไปนั้นมีภาษาเรียกเฉพาะว่าประภามนทนประภามณนมนระนะครับคือมนทนที่เปล่งออกของแสงสว่างนะทีนี้แสงสว่างมันปั้นไม่ได้ครับไม่รู้จะปั้นยังไงแสงสว่าง ก็ต้องสร้างเปลวไฟเพื่อแทนแสงสว่างคือภูมิปัญญาเลืเอิๆนะครับการสอดสรนน้นำมาสู่ความพวยพุ่งบันเจิดของภูมิปัญญานะฮะแต่เรื่อยุคแต่สมัยก็ได้แสดงมติรหัสเหล่านี้ไม่เหมือนกันครับบางสมัยก็ไม่มีครับอย่างพุทธูแบบครุกตะก็มีเป็นมุ่นมวยผมแล้วก็สร้างคำถามว่าพระเจ้าปรงผมนั้นยังมีมุ่นมวยอะไรกันอีกมมันปัญหานี่มากมายรอเราอยู่ รายการสำคัญที่สุดไรประสบซึ่งขโมวดเป็นก้นหอยสอกเขา้าพระเจ้าเป็นคนผมหยิกหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ถามก็แล้วไปนะแต่ถ้าเป็นคนช่างคิดช่างตั้งใจ ก, ก็ยุ่งกันใหญ่เลยครับจริงๆการไม่ถามนั้นน่าจะดีกว่าครับสบายอารมณ์กว่าแต่สําหรับคนที่คล้ายรู้แล้วก็ไม่พอแน่ครับท่านอาจารย์สุนโมกได้แสดงมติว่าขอดไรประสบที่ขอดก้นหอยนั้นสอกเขา้าว่าท่านเป็นคนผมหลอนนะ แต่คงไม่ถึงหยิกย่องเป็นแบบไอ้ฟูอะไรนะฮะสกราต์อะไรไม่ใช่นองนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคนตีความเช่นนี้ซึ่งผมเองไม่เคยคิดมาก่อนแล้วไม่กล้าคิดด้วยครับว่าพระเจ้าจะผมหยิกผิวขาวอยู่แดงผิวดำไม่กล้าคิดเลยคือเราคิดพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดเราคิดอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่สวยที่สุดเลอเลอิศที่สุดเท่านั้นเองแต่เมื่อพิจารณาดูพุทธุรูปแล้วเนี่ยเราก็เจอกับปัญหานา น, านัประการซึ่งเราต้องเสียในะฮะ ท่านอาจารย์สุมโมกได้แสดงมติว่าท่านไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอารยันแล้วก็ไม่เชื่อเป็นมงกลอยคือเผ่ามังโกลแล้วก่อนอื่นผมอยากจะชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่านักวิชาการได้แบ่งเผ่าพันุ์สายพันธุ์ของมนุษย์ไว้ประมาณสี่สายพันนะฮะส่วนสายพันธุ์ย่อยๆนั่งอีกอีกว่าอันหนึ่งเราไม่ใช่นักวิชาการที่ ถือข้อมูลไว้เยอะดังนั้นผมขอแจกแจงคร่าวๆง่ายๆเพื่อคุยกันให้ <Hey. S 1> เป็นที่สบายอารมณ์เท่านั้น <Hey. S 1> พอพันแรกเขาเรียกว่า อ, อารยันนะครับหรือเคาะเคซอยขคาะเคซอยคือมนุษย์กลุ่มที่อพยพมาจากภูเขาคอเคซัสซึ่งที่ตั้งก็คือใกล้เทะเลสาบแคสเปียนคนหลนี้เองได้เป็นบรรพชนของทั้งยุโรปและอินเดีย เมื่อประยุกตงแล้วก็แบ่งเป็นสองสายครับสายหนึ่งมุ่งตรงก็สู่อินเดียเรียกอินโดอารยันอีกสายหนึ่งมุ่งไปทางประเทศเปอร์เซียในปัจจุบันประเทศอิหร่านในปัจจุบันครั้งโน้นเรียกเปอร์เซียนะฮะเรียกอินโดอิราเ น, นียนะฮะสองสายนี้เองครับที่ได้ก่อร่างสร้างอารยธรรมของตนมีเป็นที่มาของภาษาวัฒนธรรมละตินและกรีกส่วนอินเดียก็เป็นวัฒนธรรมสันสกฤตแล้วก็บาลี เราพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่เรียนภาษาบาลีหรือสันสกฤตมาแล้วจะพบความแปลกประหลาดตรงที่ว่ามีศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นจํานวนมากที่ซ้อนซ้ํากันมีสําเนียงและความหมายซ้ํากับภาษาบาลีหรือสันสกฤตเช่นยกตัวอย่างนะครับคำว่านอสก็คือคำว่านาสฟังเสียงดูจะพบว่ามันซ้ํากันอยู่คําว่าแฮนคำว่ับหัดชักแปลว่ามือหรือคำว่าอนุตรศรุติซึ่งแปลว่า anniversary เสียงมันซ้ํากันมากและที่ตรงที่สุดคือคําว่า น, น่าแข่งชังคะสังเกตคือแชงกเห็นหมครัมันมีอะไรที่ซ้ำเป็นร้อยๆพันๆศัพท์ตั้งอยู่กันแล้วสิดังนั้นพอเห็นข่าวได้นะครับว่ามนุษย์ที่กลุ่มนั้นเรียกว่าเขาไกสอยนั้นคือบรรพบุพ ร, บรุษของชาวยุโรปและอินเดียตอนเหนือผมเน้นนะฮะอินเดียตอนเหนือเพราะตอนใต้ถ้าไปอินเดียจะเพาะ แขกตอนใต้นี่มันแขกโซเล็กๆบานเราเรียกแขกที่หนูครับแขกกระลิงค้าเลถ้าตัวโตๆที่ภาลักเรียกแขกแขกปาทานที่จริงปลาทานมาสองพาทิ้นะฮะแขกอินเดียอีกประเภทหนึ่งคือแขกจมูกสองหลอนครับซึ่งถ้าเห็นแล้วก็จะคงคําดีนี่แขกเป็นแขกมหาราชจะกรมาตรมาคันธีนี่เป็นแขกมหาราชจักรจมูกสองหลอนคือมีท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง ผมเข้าไปสุ่รายละเอียดที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก น, นะฮะชาติพันธุ์ที่2คือมองกุลอยครับอขอโทษนะฮะอันแรกนั้นอารยา น, นั้นสัดส่วนจะสวยงามขาจะยาวน ะ, ะท่านบนท่านล่างนี่ได้สัดส่วนกันดีท่านที่เป็นผู้สนใจศิล ป, ปะท่า น, นึกถึงภาพที่เลโอนาร์โดดาวิชีเขียนที่มนุษย์กลางมือของสายการบินหนึ่งนะฮ ะ, ะนั่นคือสัดส่วนของอารยันนะฮะหรือเรียกกันว่าอารยันหรือคอเคซอย ตาสีฟ้าผมบรอนนะครับเป็นคลื่นเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับอยากโศกเรื่ออะไรก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเวฟวี่ครับใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะช่วยกํากับกันไปไทีนี้ไฟมุงกรลอยนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะมผมเหยียดผมดําเหยียดผิวเหลืองหรือน้ําตาลท่อนบนจะสูงงูยาวท่อนล่างสั้น นนี้เราเห็นเขาว่าทําให้เราคิดได้ว่าเอชักเข้าเขาแลยล่ะมือยาวๆอาจจะแตะถึงเขาได้แต่ยังก่อนนะฮะยังไม่ใช่ข้อสรุปนะทีนี้มาอีกประเภทหนึ่งเรียกออสเตรเลียครับออสเตรเลียคือชนพื้นเมืองที่อยู่ในออสเตรเลียในทวนันนี้แล้วกาทัสมาเนียเมื่อผมได้ยินครั้งแรกว่าท่านอาจารย์พูดว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเผ่าพันออสเตรเลียเนี่ยผมตกใจเลยครับเพราะว่า ชนพื้นเมืองนี่นั่นตัวดําพิดผีเลยครับแล้วก็รูปร่างไม่งดงามแล้วก็ไม่มีความเจริญอะไรสอเขาเพราะว่าขอบเขตความรู้ของผมเกี่ยวชนพื้นเมืองน้อยมากผมเชื่อหลายคนคิดเหมือนผมถ้าถ้าไม่เคยเห็นหรือต้องใช้คำว่าศึกษาให้กว้างเข้าไปนะฮะแท้ที่จริงนั้นออสซาร้อยนั้นมีหลายเผ่ามาก